พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าคิดผิดคิดชั่วน่ากลัวที่สุดามาถึงอำเภอเพนแล้วก็ควรจะพูดเกี่ยวกับอำเภอเพนสักหน่อยนะ ก่อนจะพูดเป็นอย่างอื่นเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2559หลวงพ่อได้มาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลเพนอำเภอเพนมีท่านทางฝ่ายพระสงฆ์กับมีท่านเจ้าคุณเทพมงคลนายกเถิเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ วัดโพธิสมพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มีท่านเจ้าภาพก็คือท่านผ อ, อโรงพยาบาลเพนแล้วก็มีท่านนายอำเภอมีผู้กำกับเพน วันนั้นรู้สึกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันในหัวหน้าสนราชการที่หลวงพ่อไปเห็นแล้วอบอุ่นพี่น้องประชาชนก็ใส่บาทล้นหลามวันนั้นยาวเยียดเลยอาหารมากแล้วก็มีการทอดผ้าป่ายอดผ้าป่าวันนั้นได้เนี่ยท่านพ่อได้มาให้หลวงพ่อเนี่ยทั้งหมด4 0 0แสนให้4ล้าน4ล้านร สี่บหกบาทห้าสิบสตังอันนี้ก็คือเขาก็คงท่านคงจะแยกแยกเป็นบางส่วนออกไปอีก เ, อเสียปีชาเสียปีชาถวายมาสาล้านวันนั้นะ่ะเข้ากองทุนพาตัดตากัดสุดแท้แต่ทางโรงพยาบาลเห็นปรึกษาปารบ ก, กันคณะแพทย์คณะผู้บริหารนั่นแหละอันไหนที่จะเหมาะสมให้เป็นประโยชน์ต่อ พรงพยาบาลของเราให้มากที่สุดดีที่สุดนะกเหมือนกับหลวงตาเอาเงินให้ตารวจตอชดอเห็นไหมตรวจตอชดรอเนี่ยเป็นผู้รักษาผู้พิทักษ์สันติราชมานมนานหลวงตาเออสมาว่าตำรวจทางอยู่ในเมืองก็นะมีช่องทางแต่ตำรวจทางหลวงไนดะ้อยู่ในมุมอับหลวงตาก็ช่วยนะการช่วยมาสิบสามล้านข่าวนั้นะ พอช่วยมา13ล้านเนี่ยทางทั้งกระจกยเลยนะเป็นขนมนมเนยมีน้ำมันพืชนน้ำปลาอะไรทุกอย่างเลยเแต่นี้ท่านก็บอกให้จัดเป็นครอบครัวคร อ, อบครัวมีกี่คนท่านจะให้คร อ, อบครัวของตัวทุกคนของตัวจรรยเลยแต่นี้บางคนก็เห็นว่า ของบริจาคเนี่ยคงจะเป็นถังถังสังฆทานธรรมดาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ไปลงทะเบีย น, น, นเหมือนกันพอเห็นของแต่ละคนที่ได้มามันเป็นรถสองรถปิกอัพออโบกเวกวอยๆผมไม่ได้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้ลงทะเบียนเอาทําไมไม่ลงเพราะผมคิดว่าเป็นถังสังฆทานธรรมด า, าเหมือนกับพระเคยไปแจกเหมือนกนนี่แหละความจเจ้าเผ่า ผลที่สุดเลยไม่ได้ไม่ได้จริงๆเพราะไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะเพราะมันขาดไปประวัติศาสสิทธิ์ใช่ไหมละ่ะลงตาก็ให้เฉพาะนั้นะข่าวนั้นลงตาให้ไปสิบาล้านหรงพ่อจุกตะ น, นะหมดไปให้ต่อกับตอ่ชอชะลอใปอต่อมาอีกปีหนึ่งเว้นปีหนึ่งท่านก็นให้อีก13ามล้านทั้งในทั้งคณะของตอ่ชอชะลอทั้งผู้กํากับแต่วูเงินก่อนในหน้านะเสียดายถ้าหากว่าเราเออกมาเป็น เป็นของตอชะอรอเป็นก้อนหนึ่งซะพ่อเพื่อบริหารทวัตดตอชะรอเจ็บไข่ได้ป่วยลูกหลานการศึกษามีอะไรเกิดขึ้นในตชดอก็จะได้เงินจะใช้ได้ดอกผลตัวนี้เอามาใช้ในตชะรอก็จะเป็นกองทุนของตอชะอรอนานเท่านานเขาก็เลยเข้าไปกราบโอยหลวงตาขอเป็นกองทุนอย่างนี้โดยเทินก็ อ, อธิบายให้ฟังหลวงตาออเออท่านจึงไหนที่เกิดประโยชน์ เราก็ไม่ว่าท่ก็ให้ไปแต่ทั้งตจรพูดที่จะได้รับรางวัลเขาโอก <c oughs> <c oughs> ความพอใจก็มีความไม่พอใจก็มีอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดา น, นนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเมื่อได้จะตใจปัจจัยมาแล้วกันหลวงพ่อคณะกรรมการหรือท่านพอ อ, อเป็นประธานที่จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลของเราไม่มีใครที่จะรู้ริ่งกว่า พวกเราที่อยู่ในโรงพยาบาลเพนฝาเครื่องมือเครื่องไม้ตัวไหนที่จําเป็นที่เราจะต้องได้ใช้ขาดปกขาดตุ้กปกห้องอย่างมากอย่างเนี้ยเราก็ต้องควรจะเสริมจุดนั้นใช่พออ๋อเนาะอืมแล้วก็พร้อมกันก็ทางอําเภอเพนเห็นว่าสลาวัดป่ารวมธรรมของเราเนี่ย อ, อมีความจําเป็นท่านก็จมทบมาอีกมือ น, นึงอย่าง น, นี้นะ อ, อ, อันนี้มอบให้ รองเจ้าวาดเก็บไว้เนะเวลาท่านเจ้าวาดกลับมาแล้วก็ถวายท่านนะศาลารวมรรมทแต่อันนี้หลวงพ่อดูดูประมาณสี่หมื0นสี่หมืนี่ก็สำหรับพระสงฆ์ที่ดูหลวงพ่อดูแลพระสงฆ์อาพาธทั้งโรงพยาบาลศรีนักกลินทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรสำหรับดูแลพระสงฆ์อันนี้สี่หมื่นหลวงพ่อจะเข้ากองทุน กองทุนกองนั้นนะแต่อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเองเขาขอฝากไว้กับพวกเราที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะไม่ว่าอยู่เมืองนอกไม่ว่าอยู่เมืองนาไม่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนลนะ่ะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่ออินถวายเนี่ยหลวงพ่อขอบอกกล่าวเมื่อวานหลวงพ่อออกจากวัดตีสี่ครึ่งตีสีกว่ากว่าไปถึงจังหวัดขอนแก่นเขาไปฉันที่ ที่ขอนแก่นพอฉันเสร็จแล้วคือไ ป, ปฉันข่าวนี่ก็คือความหมายก็คือท่านคณะบดีนายแพทย์ชานชายคณะบดีของโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นท่านานิมนต์หลวงพ่อเพราะว่าท่านปับภูมิทัศทางเข้าโรงพยาบาลศรีนครินพวกเราไปเราจะเข้าทางโรงพยาบาล พอไปแเราจะเห็นสมเด็จพระราชบิดาและกัพระราชช น, นีพระราชช น, นีก็นั่งประทับแต่พระราชบิดาก็ยืนนะพวกเราก็จะเห็นในโรงพยาบาลศรีนครินต์แต่เนี้ถ้าเมื่อเขาปรับเมื่อพวกเราลงจากถนนถนนมิตรภาพเนี่ยมันก็มืม่อก็ลมคลองอย่างนั้นแหละมันต่ํามันต่ําลงไปแล้วกัไปถึงศีนครินทร์ก็เป็นเนินขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ตอนนี้ทางคณะกรรมการของสีนั ก, กรินงเขาเลยปรับถมดินขึ้นให้สูงแล้วก็ทำเป็นถนนคอนกรีกตหรือติดกระเบื้องอตรงพระบรมรูปนะเพื่อให้สง่างามแต่แตอนนี้พระบรมรูปก็เลยเตี้ยไปทีเตี้ยไปเพราะอะไรเพราะดินถมดินขึ้นตอนนี้ท่านก็เลยขอนิมนต์หลวงพ่อ แล้ปันประสึกปรึกษากับคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านก็จะยกพ่อพระบรมรูปทั้งสองพระองค์เนี่ยนะทั้งพระราชบิดาทั้งพระราชช น, นีที่ติดแท่นเดียวกันยกให้สูงขึ้นประมาณ60เซนเพื่อให้สง่างามแล้วก็ในมนโฑหลวงพ่อไปออทําพิธีหลวงพ่อก็ได้ไปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อวานนะพอเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว ทางคณะกรรมการทั้งมีท่านพ อ, อ่อนไปเปิดกลวยแสดงความเคารพคารวะก่อนที่จะทำพิธียกแท่นของพระสองพระองค์ขึ้นแล้วก็จะให้ช่างยกขึ้นเปิดกลวยแล้วก็ลพ่อก็ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์ก็สวดชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลว่วันนี้ไปเมื่อวานเนี่ยพอไปถึงฝนก็โปอยๆนะ เวลาทําพิธีกับผลกับปลอยก็ไม่แรงนะรู้สึกว่าเป็นสิริเป็นมงคลในงานที่ดียวเมื่อวานเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่ า, วามั้งทุกอย่างเรียบร้อยจากนั้นพอเรียบร้อยหลวงพ่อก็ขึ้นไปอาจารย์หมอก็บอกว่าท่านอาจารย์หลวงปูเง่เพงหลวงปู่สิงหทองหลวงปู่วิไล ลงปู่อีกสี่ลงปู่ใหญ่นะพรรษาขึ้นขึงข่งร้อยขึ้นไปแล้วเงินห้าสิกว่าพรรษาหกสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบพรรษาละลงพ่อจะขึ้นไปกราบลงปู่เพ่งมามาถึงที่แล้วนะลงพ่อก็ขึ้นไปไปกราบท่านก็เออท่านก็นอนนั่งใครก็มีถามดูแล้วก็ถามภาคขอท่านก็รู้สึกโยก บางวันท่านก็ให้พรถ้าโลกไปกำเริบนะท่านก็ให้พรจัดทาญาติโยมได้อยู่จากนั้นก็ไปกราบคราววะท่านจากนั้นก็ไปกราบปู่สิงห์ทองที่มาจากอำเภอเรืองนกทาจังหวัดอำนาจเจริญพอไปเถรนท่านก็โอ้ก็จำไปรู้จักเออท่านก็ยังแข็งแรงยังชันในบาทอยู่นะท่านยังนั่งชันในบาทเอออันนี้ ผลย่งยึดแนวปฏิปทาของพระธุรงกรรมฐานขนาดที่อายัดแปดสปีและท่านยังฉันในบาทให้ลูกหลานได้เห็นเป็นตัวอย่างแกับพระลูกหลานท่านก่อนามสองค์ก็นั่งข้างล่างฉันจังหันฉันในบาทจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปกราบหลวงปู่วิไลมาจากชัยภูมิเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวรุ่นแรกสร้างวัดถ้ำกองเพนอีกไปเห็นท่านก็นอนตามปกติท่านก่อนเนี่ยเป็นมะเรง็งรู้สึกว่า ไปข่าวนีรู้สึกหน้าตาของท่านสมบูรณ์ขึ้นมากแต่ก่อนโอ้โตเกี้ยวป่วยมากเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งนะมานานแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจากนั้นหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมอีกหลวงปู่องูองูนี่หนักหลวงปู่นี่เป็นมาขอนแก่นสรุปแล้วก็คือตึกหลังนี้นะตึก โรงพยาบาลสี่มุมเป็นห้องพิเศษสำหรับพระมหาเถระท่านนอ่องนอกนั้นก็เป็นอนุเถระก็คือเป็นห้องห้องละสององค์จาาทัานก็เป็นพระทั่วไปเหมือนกับโรงพยาบาลทั่ ว, วไปก็มีรู้สึ ก, กว่าเข้าไปเมื่อวานพระเต็มไปหมดเลยไปเห็นโอ้อแล้วก็หลวงพ่อเองก็ได้ไปนั่งและกันได้คุยกับศรัทธาญาติโยมหลวงพ่ อ, อ สมัยเมื่อครั้งแรกทางโรงพยาบาลศรีนครินนายแพทย์คณะพยาบาลคณะแพทย์เข้าไปหาหลวงพ่อที่วัดป่านาคำน้อยอยากจะให้หลวงพ่อมาดูแลเรื่องตึกหลังนี้แหละแต่สมัยขัข้คณะพดีคนก่อนมันคนที่หนึ่งคนที่สองเดี๋ยวนี้เป็นคนที่สามแล้วนะนสามสามคณะพอดีแล้วคนท่านอนุมัติอนุญาตให้หลวงพ่อก็ได้ มาทํามาสร้างขึ้นหมดไปเงินเกือบ15ล้านนะคณะนะสัตยา ญ, ญาติโยมสมัยนั้นโอ้ยังจนจนแต่ใจสู้นะเพื่อเห็นแก่คณะสงฆ์แล้วก็สร้างขึ้นมาพอมาเห็นเมื่อไปเมื่อวานเน่ยเออไปทุกครั้งหลวงพ่อกระพุมใจภูมิุมใจยังไงไม่ใช่อยากจะให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยนะถ้าเห็นครูบาอาจารย์เก็บไขะนี่ป่วยแล้วหลวงพ่ออินภูมิุใจไม่ใช่ถึงยังไงพวกเราลดทุกขันนะเอไม่ว่าใครละ รถน้อยรถใหญ่จะต้องเข้าอู่แต่นี้อู่ของเราเนี่ยอู่มีประสิทธิภาพใช่ไหมล่ะครูบาอาจารย์ใครๆก็บอผู้ที่ทรงคุณค่าคุณภาพเนีเอารถเข้าอู่อู่ของเราก็ทีเ่เราไปสร้างเอาไว้เราเห็นแหละอเออที่เอารถขาเข้ามาเข้าอู่รักษาหายก็ไม่รู้เท่าไหร่ ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจำมันสาก็ยังมีอีกจำมันสาเลยนะพระธิมหาถิระผู้ใหญ่ถ้าท่านจะไปที่ศรีนครินท่านจะไปที่สีริราชศรัท ธ, ธา ญ, ญาโจก็ไม่รู้จักมักคุ้นว่าเป็นใครอยู่ไกลอยู่กรุงเทพทางนู้นก็ไม่รู้อีกว่าเป็นพระประเภทอย่างไรก็ไม่รู้อีกออถ้าไปจุฬาก็เหมือนกันถ้าไม่มีชื่อเสียงโด่งดังจริงก็เข้ายากลาบาก ท่านก็มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพสักการะของคนทางอีสานของเราท่านก็นี่ะเหมาะสมติศรีนครินไปเห็นนะโอ้พระเต็มไปหมดแต่ท้งนี้ทางนั้นหลวงพ่ออยากจะขอร้องที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อน่นคืออะไรทางหมอทางพยาบาลเขาก็พูดภุมภ่มหับหุ่มหับเหมือนกันโอ้ปีนี้ใช้จะตุปัจจัยยังไม่ถึงเดือนมิถุนาเลยหมดไปห้ล้านกว่าแล้วใช้ใช้เงินเยอะ เพราะว่าพระสงฆ์เข้ามาในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละจุดที่ว่าถ้าท่านผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยจูเมืองไหนก็ตามที่อยากจะทําบุญกับพระครูบาอาจารย์ที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่คณะสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ไปสารมาทางโรงพยาบาลศรีนครินและใครโอนจะตุปัจจัยเข้ามาหลวงพ่อว่าเป็นบุญกุศลต่อผู้ ได้ทําบุญกับพระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่ท่านไปพักนอนโรงพยาบาลสีนักครินแต่ถึงยังไงท่านก็ไม่ได้รเรียกร้องเดือดร้อนอะไรหรอกแต่พวกเราในฐานะสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราควรจะช่วยเหลืออย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องคิดแต่ถึงยังไง ท่านอูที่นั่นอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นกับเหมือนกับบุญบุญบ้านย่อยๆอย่างนั้นอ่ะอ่ากูบาอาจารย์องค์นั้นลูกสิทธิถูกหากลุ่มนั้นเข้ามาจังหันทําบุญทําทานไปจังหันแต่ละห้องแต่กูบายอาจารย์จากนั้นมาพระสง์กับฉันจังหันรวมผู้ที่ไปเยี่ยมไข่ผู้ที่เยี่ยมไข่ก็ต้องมีห้องอีกห้องหนึ่งที่หลวงพ่อไปทําว่ามีพระพุท ธ, ธปฏิมา แล้วก็ให้พระสงฆ์ที่ไปเยี่ยมไปดูแลดูแลครูบาอาจารย์ของตอนเองนะ่ยบางทีก็ครูบาอาจารย์องค์นึ่งก็สองสองค์เนี่ยที่ไปดูแลเพราะว่าท่านพิกตัวไม่ได้ลูกศิษย์ก็ต้องพระก็ต้องไปช่วยพิกดูแลท่าน3ามสองค์นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันดูเวียนกันครั้งละสององค์สององค์เนี่ยลักษณะอย่างนั้นแหละจะต้องมี คนนั้นพระจำนวนนี้ก็ต้องอ่ะชันอาหารที่ไหนก็ต้องชันอาหารจากโรงพยาบาลจากสถา ญ, ญาติโยมนี่แหละสรุปแล้วก็คือจุดตัปปจัยที่เราได้มานะคะเฉะลือเผื่อแผทั้งพระคนทั้งพระไมาเยี่ยมทั้งพระดูแลอุปถากด้วยพระป่วยด้วยที่เข้ามาค่ายุบค่ายาโดยมันหลายค่านะถ้าว่าพวกเราที่ดียินเสียงหลวงพ่อเนี่ย ทางเฟซทางย t ทู e อะไรก็ตามไ ด, ได้ยินแล้วก็ถ้าอยากจะได้บุญนะอยากจะทำบุญก็โทรประสานติดต่อมาทางศีนครินคงจะมีเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกคณะสัตยาจมไม่น้อยเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าหากว่าดูก่อนอพระสงฆ์ทั้งหลายพุทธบริษัท4ทั้งหลาย ถาหว่าผู้ใดอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไค่ผู้สงศินถ้าหากว่าพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายปลนิบัติดูแลปนนิบัติปฏิบัติภิกษุค่าผู้สงศินแล้วเหมือนปฏิบัติเราตถาคตอันนี้สงออมากเท่ากันอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วก็คงจะหนึ่งไม่มีสองนะงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสออกมาใน พระไตรปิฎกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อบอกกล่าวแต่สําหรับหลวงพ่อเองก็ได้ดูโรงพยาบาลศูนย์อุดรด้วยศูนย์อุดรหลวงพ่อก็ได้ดูระเกีีนักเรนอย่างที่ว่าหลวงพ่อก็ได้ดูแลแต่ไม่ใช่แต่โรงพยาบาลอย่างเดียวอย่างอําเภอเพนนี่ข่าวมาข่าวทิ้แล้วที่ถอดผ้าพระกฐินอผ้าป่างวันที่19หลวงพ่อก็ได้เจียด จะตุกปัจจัยของวัดมาร่วมสมทบ เ, เข้าไปอีก1นึ่งแสนห้าหมบาทมอบให้ท่า น, นพ่ออ่อไปอันนี้ก็คือ จ, จุดตุกปัจปจัยของวัดที่หลวงพ่อได้รัดทายาทโยมได้ถวายต่างกลัมต่างวาระหลวงพ่อก็ได้ เ, เจียดอมามอบให้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ไอยโอกาสาที่ คนทุกยากไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีเงินที่เข้ามาโรงพยาบาลเพราะในเมืองไทยของเราเป็นประเทศที่ยังไม่ยังยากจนอยู่บางคนก็ยากจนจริงบางคนก็พอเป็นไปพอไปแล้วทางโรงพยาบาลก็ให้ใช้จ่ายในทุนของตนเองอย่างนี้เป็นต้นแต่หลวงพ่อเอง เนื้อเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามเพราะมีข่าวนี้เป็นข่าวข่าวจําเป็นของพระสงฆ์ถ้าเราเห็นได้ยินว่าองค์ไหนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อจ ะ, จะเจริญจะตุปใจัยไปช่วยแล้วนะลูกหลานนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อ น, นเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปศรัทธา ญ, ญาติโยมรู้แล้วก็เออยังค่อยว่ากันอันนี้มาพูดถึง เ, เกี่ยวกับ โรงพยาบาลเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็แจ้งข่าวแล้วบอกกล่าวให้คณะสัทธาญาติโยมทุกท่านได้รับรู้รับทราบถ่าหลวงพ่อไม่พูดพวกคณะสัทธาญาติโยมอยู่ไกลไกลวัดนะอยากจะทำบุญอยเกี่ยวกับจุดไหนที่จะถูกต้องจุดไหนที่จะดีที่สุดนะหลวงพ่อขอแนะนำเลยนะโรงพยาบาลน่นะจุดหนึ่งนะ โรงพยาบาลที่เป็นพระสงฆ์อาพาธจีนักเรนด้วยอุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรด้วยเนี่ยพอดูแลพระสงฆ์โรงพยาบาลอุดรก็โทรมาถามมาถามทางผ อ, โ, อรโรงพยาบาลศูนย์อุดรเขาก็จะแนะนําให้ได้รับรู้เกี่ยวกับตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรนี่บัญชีเท่าไหร่อะไรเนี่ย แต่หลวงพ่อมีคณะกรรมการนะคณะสัตายาธิโยมถึงมีชื่อหลวงพ่อคือหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นโพริทัตโตโดยพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกนแต่ก็มีคณะกรรมการทั้ง15ท่านเป็นผู้ดูแลกองทุนกองนี้นะหลวงพ่อเป็นแต่เพียงประธานอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็การใช้จ่ายทั้งหลายกัอนออกโดยคณะกรรมการ โรงพยาบาลศูนย์อุดรเหมือนกันหลวงพ่อเป็นประธานามูลนิธิพระอาจารย์อินทวายดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่ก็มีชื่อเฉยเฉยกมีทั้งสิ้าท่านอีกเหมือนกันจะเชนหนังสือออกเชนจะจะจ ะ, จ ะ, จะุก ป, ประัยออกไปก็ทั้งห้าคนาที่จะจ่ายเงินออกไปได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าออกไปได้ง่ายๆจ่ายอะไรก็ต้องมีการตรวจสอบทางบัญชีอีกต่างหากทำกฎ พอมูลนิธิเนี่ยจะทำชีชัวไม่ได้เพราะนั้นขอฝากไวเออ้เงินข้อนนี้เหมือนหลวงพ่อบอกไปแล้วคงจะเข้าบัญชีต้องจะหายไปยังไงหลวงพ่อรับรองรับประกันได้เลยว่าบริหารโดยคณะกรรมาการมูลนิธินออ่ถูกต้องตามกฎกติกาที่เราจะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์ออต่อคณะสงฆ์ต่อคณะผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์นะตัวนี้ยังไม่ใช่ยังเราไม่ได้ให้ส่งเสริมเครื่องมือแพทย์เพียงแต่ดูแลพระสงฆ์ที่จําเป็นขนาดจําเป็นก็ยังไม่พอนะขันธศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะบางทีพระกุบายจารบางองค์ท่านยังน้อยหนุ่มอยู่30 20 30พรรษาเนะี่ยท่านเป็นมะเร็งอย่างนี้ท่านก็มีศักยภาพศรัทธาญาติโยมรู้นะี รู้จักมักคุ้นมากแต่ไมนรู้จักทไงแต่จ่าตัว น, นี้ลร า, าคาแพงราคาเป็นล้านไงยังไงมันก็ต้องไในหลวงพ่ออนุมัติอนุมัติ อ, อนุญาตเหมือนกันนะเพราะมีความจําเป็นไนงะต้องรักษาเนี่ยนะนี่แหละอันนี้ก็คือการดูแลรักษาพูดให้คณะทาญาติโยมทุกหมูทุกเหล่าได้รับรู้รับทราบครับแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังท่านนี่กั เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ว่าพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พวกเราทุกทุกท่านก็มีส่วนเหมือนกันที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทั้งนี้ทังนั้นก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาขู่กันแล้วก็อยากจะให้พวกเราทำบุญทำทานสร้างบุญสเสียเสียสร ะ, สระเงินคาทรัพย์สมบัติไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นไปบวาคิดอีกอีกแสลบไปอีกมุมหนึ่ง เพียงจะเตือนว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทการทาบุญทาทานนั้นก็ใช่ควรจะมองอควรรักษาศีลควรภาวนาควรปฏิบัติตนให้เป็นคนดีกนะดีคํานี้คืออะไรเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีนันคืออะไรนะพวกเราได้รับการศึกษามาถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะรู้ว่าคิดดีคิดยังไงแต่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคิดดีคือ คิดประกอบการกุศลคิดไม่ทําความชั่วคิดสงเคราะห์ออนุเคราะห์ชุมชนสังคมคิดดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณสําหรับเราคิดพัฒนาประเทศชาติรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรจิถูกถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้แปลว่าคิดดีถ้าคิดชั่วัะคิดยังไงโลภอยากจะได้ของเขา ความโลภคนนี้แหละโลภอยากจะได้ของเขาเห็นอะไรอยากได้ทั้งหมดอไม่ได้ทางตรงก็ได้ทางอ้อมไม่ได้ทางอ้อมก็ได้ทางคดทางโกงทางปน้นทางจี้อันไหที่จะได้มาอันนี้พอโลภอยากจะได้ของเขาจากนั้นก็พยาบาทปลองร้ายเขาอีกอถ้าเขาไม่ให้มาท่าไม่ได้อย่างใจตัวเองออคิดในใจขึ้นมาปลองปองร้ายเขาถึงเอาอายัางไงฮจะต้องขา่าต้องแก้งก็ต้อง เบียดต้องบ้างจะต้องรังแกเอะอะไรของมากมายหลายอย่างอันนี้วะปลองร้ายเขาหนึ่งแล้วก็เห็นผิดอยากทํานองคลองทำอันนี้เปลวคนชั่วนะเถอโรคอยากจะได้ของเขาพยายาทปลองร้ายเขาเห็นผิดอยากทํานองครองทำตัวนี้กว้างเห็นผิดจากทํานองคลองทำมันคือเลยทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีบาปูลคุณโทษไม่มีตายแล้วศูนย์เอี อย่าไปทําเถอะทำดีเนี่ยทำดีกับเท่านั้นอ่ะอันนี้แปลว่าคนคิดชั่วคิดในใจคิดชั่วละคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดชั่วคํานี้แหละพบตัวจุดท้ายนี่ยเห็นผิดจากทํานองคลองทำนเนี่พระพุทธเจ้าท่าวัดน่ากลัวมากเป็นบาปอย่างมากไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดคือความเห็นผิดจุดเน่แหละถ้าไปตกนรกมาตก โลกันตะนรกหลวงพ่อเลยเปรียบเที่โรคกันตะนรกคือมืด8ปดทิศแดทิศแด้านน ะ, เ, ะเหมือนกับเราไปตกอยู่ในกระป๋องนมหรือกระป๋องปลากระป๋องอย่างนั้นเขาบัดกรีอย่างนั้นอยู่ข้างในทําไมมันไม่ตายละ่ะไม่ตายเพราะกรรมมันใช้กรรมมันไม่ตายหรอกโรคกรคงจะล้มใหญ่แล้วก็ปิดไม่เห็นมิดชิดเลยอันนี้ไม่รูดจะทําลายได้เท่าไหร่ว่า กี่ปีกี่เดือนกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสนชาติจึงจะพ้นนรกหลุมนี้มาเพราะเป็นนรกมิจฉาทิฐิเน่ยท่านตรัดไว้อย่างนงั้นในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต้องตรวจตราดูให้ดีว่าการที่จะปักใจสิ่งไหนก็ตามเราต้องคิดดูให้ดีหลักของพุทธศาสนาว่าตายแล้วเกิดอย่างนี้ เ, เกิดจริงไหมไอ้ตัวไหนพาไปเกิดมันศูนย์ ศ, ยศยูอย่างไรเกิดเกิดยังไง ถ้าเราพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดนะครเราก็นั่งภาวนาอย่างพระประธานนี่ที่วัดเนี่ยท่านนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่คือกรรมฐานของพุทธะนะจากนั้นใจพระไทยความรู้สึกนึกคิด ก็รวมเป็นหนึ่งแต่กอดมันฟุ้งซ่านใช่ไหมใจของเรานึกปงในอดีตนะโหถ้าโกรธให้ใครก็โกรธถัรักใครก็รักเสียดายห่วงแหนเงินคำทรัพย์สมบัติแต่และวันแต่และเวลาเนี่ยคิดปงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเรื่องการเรื่องงานบางเรื่องอะไรต่อมิอะไรบางอันนี้เราจิตใจปงฟุง้งซ่านแต่นี้ไม่ให้มันปงฟุ้งเลยให้มันอยู่กับลมหายใจเขาออกไม่ต้องคิดไปทั้งอื่นละ ไม่ต้องคิดถึงอนาคตไม่ต้องคิดถึงอดีตให้อยู่ในปัจจุบันกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทใจให้รวมเป็นหนึ่งพอใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละทะน่นี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยนี่แหละพิธี พ, พิสูจน์นะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนะพิสูจน์จุดนี้อย่าไปเดาอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปประมาณการผิดทั้งนั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ เหมือนกับเราเนี่ยอันนี้เค็มนะเค็มนะเค็มมันเป็นยังไงเออคว่าเค็มนะเออเราต้องเอาลิ้นไปแตะโอชัยเค็มมันเป็นอย่างนี้เองเราจะรู้ได้เนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้จากนั้นเพื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเออเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายคือรูปปรัรฐจิตใจนะีคือนามธรรมรูปปัรฐกับนามธรรม เป็นคนละอันกันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับจานกับมะมว่วงหรือจานกับไข่แล้วทั้นนั้นไม่ไข่ไม่ใช่จานจานไม่ใช่ไข่หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเข้าไปอีกว่ารูปธรรมเหมือนกับรถตัวนามธรรมาคือคนขับรถคนขับรถกับรถนรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี่ อันนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราภาวนาแล้วจิตใจรวมสงบแล้วเราจะเห็นได้กายกับใจจากนั้นอพอรู้ได้แต่เนีเออเนี่ยชัดเจนในความรู้สึกในสมาธินั้นจากนั้นท่านก็นามธรรมาตรงนี้นะตัวตัวคนโชโฟเฟอร์รถเนี่ยนะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปเกิดในที่ต่างๆตายแล้วไม่สูญเออจุดนี้นี่แหละพระพุทธเจ้า พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายท่านบอกว่าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วจุดนังภาวนาเนอะพอจิตใจสงบแล้วนะ่ะจะรู้ได้ไม่ต้องถามใครนี่แหละจุดนี้แหละศรัทธาญาติโยมถ้าเรายังทําไม่ได้ก็เราต้องเชื่อไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งปฏิเสธแต่จะไปเชื่อแบบเออแบบเออจนเกินไปแต่หลวงพ่อเองเนี่ยบอกได้เลยว่าหลวงพ่อนี่เชื่อเกินร้อยนะในจุดนี้นะ แต่ศรัทธาญาติโยมโลูกหลานให้ฟังไว้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติดูแล้วจะเชื่อด้วยตนเองเชื่อด้วยด้วยตนเองถ้าเราปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงแล้ว น, ะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะความดีคืออะไรสิ่งที่มันชั่วอย่าทำเมื่อเราทำกรรมชั่วชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นในในโอวัตปฏิโมก คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทํำจะเลยดีกว่านีถ้าเป็นบาลีเราอากตะังตุกตะตังเสโยปัชชาตะปติทุกตะตังอันนี้คือพระบาลีนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว่แต่พวกเราแปลออกมาว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําจะเลยดีกว่าเมื่อพวกเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้นะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะทิ้งที่มันไม่ดีในปัจจุบันถ้าเรารทำไปแล้วใครไม่โลละทําไปเถอะแต่ถ้ามันผิดกฎหมายนเนี่ยพอเขาเออกกฎหมายหมาซักไซไลเลียงท่านล่ะตายนเนี่ยติดคุกเมื่อแก่เขามากต่อมากทุกวันนี้เห็นไหม เ, เพราะตัวเองว่าคิดว่าฉลาดนั่นแหละแต่ ม, มันดูแล้วมันผิดกฎหมายเขาเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่านนะผูกทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ ดูถูกเหยียดหยามผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดเราพูดแต่ว่าดูถูกความชั่วเท่านั้นเราดูถูกความชั่วความชั่วจะทำเสลยดีกว่าความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วความชั่วจะให้ผลเราดูถูกความชั่วท่านผู้ใดก็ตามเป็นคนดีทั้งหมดนั่นแหละแต่เมื่อทำกรรมชั่วเข้าไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลนะแล้วก็คนดีนะจะเดือดร้อนใจที่ดีนะจะเดือดร้อน ถ้าว่าเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตัวเองก็เดือดร้อนะก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปทีนี้เพราะอ้ไรเพราะตัวเองก็ททำเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านน ะ, ะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปใครไปเรนะานีไปแล้วกันน ะ, ะไม่มีอะไรที่จะติดตามไปด้วยนะนอกจากบุญกับบาปนะพระพุทธเจ้าท่านบบุญคือ การทำความดีบาปก็คือทำความชั่วนะ่ะจะเป็นเพื่อนสองในดวงใจดวงนันะ้นที่ออกจากร่างไปแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านควรประกอบคุณงามความดีใส่ตัวเองอต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นะ